เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกำลังชันพัฒหารเช้าอยู่ที่ชั้นล่างของกุฏิตั้งใจว่าฉันเสร็จจะขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างชั้นบนแต่แล้วก็มีอันต้องเสียความตั้งใจเมื่อชายหญิงคู่หนึ่งช่วยกันประคองถาดทองเหลืองเดินเข่าเข้ามาหาในถาดมีก้อนหินสีนวลวางอยู่เป็นหินรูปทรงไข่ไก่ แต่มีขนาดใหญ่กว่าสักประมาณสิบเท่าตัวเมื่อเข้ามาในระยะหัตถบาทคนทั้งสองวางถาดลงแล้วกราบท่านพระครูสามครั้งฝ่ายชายถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือท่านพระครูเจริญใช่ไหมครับแทนคำตอบเจ้าอาวาสวัดป่ามะ ม, ม่วงกลับถามว่าโยมมีธุระอะไรกับอาตมาหรือ ครับผมชื่อมนตรีพันยาชื่อสุมาลีบ้านอยู่ช่องแคบแต่ไปสอนหนังสืออยู่ตาคลีครับอ๋อเป็นครูแล้วไปไหนกันมาทานข้าวแล้วหรื อ, อยังยังไม่หิวคะ่ะครูสุมาลีตอบไม่หิวไม่ได้สิถึงเวลากินก็ต้องกิน สมชายพาแขกไปทานอาหารหน่อยท่านหันไปสั่งลูกศิษย์วัดครูสองคนจึงต้องลุกขึ้นเดินตามนายสมชายไปยังโรงครัวครูใหญ่ๆจึงกลับมาที่กุฏิอีกครั้งท่านพระครูแปลงฟันบ้วนปากเสร็จแล้วและกำลังรออยู่จะเอาหินมาถวายอาตมาหรือจะเอามาให้ปลุกเซก ท่านถามยิ้มยิ้มคนเดี๋ยวนี้เชื่อถืออะไรต่อไม่อะไรกันเปรอะไปหมดพระบางรูปถึงกับยึดอาชีพทำประหลัดขิกจำหน่ายใจแจกประชาชนโดยอ้างว่าเป็นเครื่องรางของขลังผัวเมียคู่นี้อาจจะมาทำนองเดียวกันท่านคาดการล่วงหน้าจะเอามาถวายครับหลวงพ่อกรุณารับไว้ด้วยหินก้อนนี้ มีที่มาแปลกถ้าผมเล่าให้ฟังหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อครูมนตรีพูดออกตัวไว้ก่อนลองเล่าไปสิแล้วเชื่อหรือไม่เชื่ออาตา ม, มาจะบอกทีหลังครูมนตรีจึงเล่าให้ท่านสมพานวัดป่ามะม่วงฟังว่าผู้ปกครองนักเรียนเขาเอามาให้เพื่อนผมซึ่งเป็นครูอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องมีอยู่ว่าสองผัวเมียได้ไปทำไร่ที่ตาบลหนึ่งของอำเภอ น, นไปปลูกกระท่อมอยู่ในป่าเมียเขาก็ไปเก็บหินมาสามก้อนจะเอามาทำเป็นเสาก่อไฟหุงข้าวพอทำเสร็จก็ก่อไฟปรากฏว่าหินก้อนนี้มันร้องร้องว่ากูร้อนกูร้อนเอากูมาเผาทําไมเดี๋ยวกูจะหักคอมึงสองคนผัวเมียจึงเอาก้อนนี้ออก ไปหาก้อนอื่นมาแทนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ลองเอาก้อนนี้มาทําเศร้าอีกมันก็ร้องแบบเดียวกับวันวานเขาจึงเอาไปตั้งไว้หน้าหิ้งพระตกกลางคืนก็มาเข้าฝันว่าอยากไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงขอให้พาไปด้วยสองคนผ ม, มียก็ไม่รู้ว่าวัดป่ามะม่วงอยู่ที่ไหนจึงไม่ได้พาไปคืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกว่า ช่วยพาไปวัดป่ามะม่วงด้วยจะไปเรียนกรรมฐานกับท่านพระครูเจริญคืนที่สามก็มาบอกอีกคราวนี้บอกที่ตั้งของวัดด้วยสองผเมียจึงมาเล่าให้เพื่อนผมฟังและขอร้องให้เพื่อนผมช่วยจัดการให้เพราะเขาไม่มีเงินค่าเดินทางเพื่อนผมเขาไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้แต่ก็รับไว้เพราะสงสารสองผเมียซึ่งมีท่าทางทุกข์ร้อนและวิตกกังวลมาก คืนแรกที่อยู่บ้านเพื่อนผมก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเพื่อนผมก็ยังไม่เชื่อคิดว่าฟังสองผ ม, มเล่าแล้วตัวเองเก็บไปฝันพอคืนที่สองก็มาเข้าฝันอีกเขาชักเอกใจแต่ก็ยังไม่เชื่อคืนที่สามก็มาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเพื่อนมาจากตาคลีให้ฝากไปกับเพื่อนถ้าไม่ฝากจะขอให้ตายหมดบ้านคราวนี้เพื่อนผมชักกลักลวแต่ก็ยังไม่เชื่อ และนึกไม่ออกว่าเพื่อนคนไหนจะมาหาเขาไม่เคยมีเพื่อนอยู่ตาคลีคือเขารู้แต่ว่าผมอยู่ช่องแค่ทีนี้ช่วงนั้นผมไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นในายอำเภอลำปลายมาศผมจึงว่าเยี่ยมเพื่อนด้วยเพราะเขาเห็นผมเขามีท่าทางประหลาดใจมากถามว่าผมมาจากไหนพอผมบอกว่ามาจากตาคลีเขาถึงกับหน้าซีดก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังและขอร้องให้ผม เอาหินก้อนนี้มาด้วยเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับระหว่างที่ครูมนตรีเล่าท่านพระครูนิ่งฟังโดยไม่ซักถามต่อเมื่อผู้เล่าเล่าจบจึงถามขึ้นว่าหินก้อนนี้มาอยู่บ้านครูได้กี่คืนคืนเดียวครับผมมาถึงเมื่อวานตอนค่ารุ่งเช้าก็นำมาที่นี่เลยแล้วเมื่อคืนมีใครมาเข้าฝันหรือเปล่า ไม่มีครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วครูเชื่อหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อครับแต่ถ้ามีคนมาเข้าฝันเหมือนอย่างที่เพื่อนผมเล่าก็อาจจะเชื่อและลุงพ่อละครับลุงพ่อเชื่อหรือเปล่าก่อนตอบคำถามท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบเสีก่อนแล้วจึงพูดว่าอาตมาเชื่อเท่าที่ฟังมา ก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอาตมาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้วท่านอธิบายโดยพยายามไม่ให้เป็นการอวดอุตริมนุษธรรมอาตมาคิดว่าหินก้อนนี้ คงจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับที่เขานำมาสร้างปราสาทหินพนมรุง้งและคงจะมีวิญญาณสิงอยู่วิญญาณของผู้หญิงหรือผู้ชายคะหลวงพ่อครูสมารีถามพลางมองไปที่ก้อนหินอย่างหวัดวาดเข้าใจว่าเป็นผู้ชายและเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างปราสาทหินพนมรุง้ง แล้วก็ถูกหินตกลงมาทับตายวิญญาณก็เลยสิงอยู่ในก้อนหินไม่ยอมไปไหนแต่เพื่อนผมเขาบอกว่าสองผมเมียไปพบในป่านะครับครูมนตรีติงกูแล้วมีคนมาขโมยไปจากปราสาทหินคงเป็นนักท่องเที่ยวเห็นรูปร่างแปลกๆเลยขโมยไป แล้วก็คงจะถูกวิญญาณอาละวาดเลยเอามาทิ้งในป่ากระทั่งสองผัวเมียไปพบเข้าแล้วทำไมเขาถึงอยากมาอยู่วัด น, นี้ล่ะครับเออันนี้อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าครูอยากทราบอาตมาจะถามเขาให้เอาไหมท่านถามทีเล่นทีจริงบุรุษผู้มากับก้อนหิน นั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านทว่าครูสองคนไม่เห็นแต่ถึงจะไม่เห็นก็เชื่อและกลัวจึงกล่าวปฏิเสธพร้อมกันว่าไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกค่ะอ้าวอาตมาพูดกับเขาได้นะจะบอกให้ท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้มแล้วพูดกับชายที่หมอบอยู่ต่อหน้าหักในสายตาครูสองคน ดูเหมือนท่านกําลังพูดกับก้อนหินเชิญตามสบายนะอยู่ที่กุติอาตมานี่แหละแขกไปใครมาจะได้คอยต้อนรับแล้วอาตมาจะสอนกรรมฐานให้จากนั้นท่านก็พยักหน้าช้าๆพลางออกเสียงอ้ออ้อเหมือนว่ากําลังฟังก้อนหินพูดครูสองคนมองหน้ากันพลางนึกในใจว่า หลวงพ่อองค์นี้ถ้าจะเพี้ยนท่านพระครูรีบหันมาแก้ว่าอาตมาไม่ได้เพี้ยนอาตมากำลังคุยกับเขาจริงๆไม่เชื่อไปเอาหมอมาเช็คดูก็ได้ว่าอาตมาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟังงุนงงนะักและครูมนตรีก็พูดในใจว่าอ๋อ ระอภิญญาหลวงพ่อองค์นี้ต้องได้อภิญญาเขาหวานอาตมาให้ช่วยขอบใจครูบอกแล้วจะตามไปให้หวยที่บ้านคราวนี้ครูสุมาลีตาเป็นประกายเพราะอยากรวยตกลงผมพาเข้ามาถูกวัดแล้วใช่ไหมครับครูมนตรีถามความข้องใจสงสยัยปราศนการไปสิ้นถูกแล้ว เขาพอใจมากทีเดียวน่าอนุโมทนานะตายไปแล้วยังอยากทำความดีคนเป็นเป็นเสอีกกลับประมาทมัวเมาในชีวิตท่านนึกไปถึงสมภารวัดฝั่งโน้นแต่ครูมนตรีกลับคิดไปว่าท่านหมายถึงตัวเขาจึงรีบออกตัวว่าครับต่อไปนี้ผมจะเลิกเที่ยวเตร่ เลิกเป็นคนสมำลีเทมเอวอย่างเด็ดขาดเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองว่าที่แล้วแล้วมาเขาไม่ได้ทําตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกเมียเท่าใดนะักสาธุขอให้ทําได้จริงๆเธอหนุขอนิมนัมนหลวงพ่อเป็นพยานด้วยนะคะครูสุมาลียกมือขึ้นสาธุพร้อมกับอาราธนาท่านพระครูให้เป็นพยานตกลงอดตมมา จะเป็นสักขีพยานให้อ๋อแล้วอาตมาขอบิณฑบาตอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสูบบุหรี่อยากให้เลิกเสียเพราะมันมีแต่โทษหาประโยชน์มิได้เลยครับผมสัญญาว่าจะเลิกให้หมดครูหนุ่มรับคำด้วยศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักดีแล้ว เมื่อเลิกสิ่งไม่ดีได้ต่อไปก็ให้เคร่งครัดในศีลรักษาศีลให้ได้ทั้งสองคนนั่นแหละเอาแค่ศีลห้าก็พอเมื่อศีลเพียบพร้อมก็จะได้มาฝึกสมาธิชีวิตก็จะได้เจริญรุ่งเรืองค่อยๆไปทีละขั้นไม่ดีหรือครับลงพ่อมากเกินไปประเดี๋ยวผมจะรับไม่หมด ครูมนตรีต่อรองรับไม่หมดแน่ถ้าครูไม่ฝืนใจการทำความดีต้องฝืนใจนักครูไม่งั้นก็ทำไม่ได้นี่ครูยังโชคดีนะที่ได้คู่ดีถ้าเขาไม่ดีคงทิ้งครูไปเส้นนานแล้วอยากโกรธนะอาตมาพูดตรงๆอย่างนี้แหละ ท่านรู้ว่าบุรุษตรงหน้าอยู่ในข่ายสอนได้จึงสอนไม่โกรธครับผมจะโกรธผู้ที่หวังดีต่อผมได้อย่างไรเป็นบุญของผมเหลือเกินที่ได้มารู้จักหลวงพ่อปกติผมเป็นคนรั้นพ่อแม่สั่งสอนก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่น่าแปลกที่มาเชื่อหลวงพ่อได้ก่อนนี้ผมไม่ค่อยนับถือพระสักเท่าไหร่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะ ท่านทำให้ผมบมดศรานะครับขอประทานโทษลุงพ่อรู้จักหลุงตาอ้อนไหมครับเือเอ่ยนามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกิติศัพท์ของท่านเป็นที่รู้จักดีกิติศัพท์ในทางลบรู้จักสิทำไมจะไม่รู้จักท่านออกดังนั่นแหละครับผมแทบจะเลิกนับถือพระก็เพราะลุงตาอ้อนนี่แหละผมไม่เล่าดีกว่าประเดี๋ยวลงพ่อจะหาว่า ผมว่าพระว่าเจ้าแต่ถึงครูมนตรีจะไม่เล่าท่านพระครูก็รู้เพียงแต่ท่านอยากรู้ท่านก็รู้ได้หากเรื่องที่อยากรู้นั้นไม่เกินความสามารถของเห็นหนอท่านรู้ว่าที่ครูมนตรีผิดใจกับหลวงตาอ้อนเพราะถูกฝ่ายนั้นยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนเป็นเงินค่อนข้างมาก และที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่ใช่เงินของครูมนตรีเองแต่เป็นเงินที่เขายืมมาจากมารดาอีกทีหนึง่งแต่เดี๋ยวนี้ผมนับถือพระแล้วนะครับอย่างน้อยผมก็รู้ว่าพระดีๆยังมีอยู่นี่ถ้าไม่ได้มาพบหลวงพ่อความคิดอย่างนี้คงยังไม่เกิดครูมนตรีพูดด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากจิตใจดีแล้วที่ครูคิดได้อย่างนี้ เพราะคนที่ไม่นับถือพระนั้นได้ชื่อว่าบาปไปครึ่งหนึ่งแล้วบาปอย่างไรคะหลวงพ่อครูสมารีถามบาปในแง่ที่ว่าจิตเป็นอกุศลนะสิครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบครูสมารีพยักหน้าช้าๆเป็นเชิงเข้าใจเรื่องที่ท่านพูด อาตมาขออนุโมทนาด้วยที่ครูหันมานับถือพระอีกเท่ากับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเหมือนกันที่จริงคุณพ่อคุณแม่ครูท่านก็เป็นคนดีนี่นะดีมากเสียด้วยทำไมครูไม่เอาเยี่ยงอย่างท่านละ่ะจริงไหมครู ท่านถามครูสุมาลีจริงค่ะหลวงพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาแสนจะดีและที่หนูยอมแต่งงานกับเขาก็เพราะคิดว่าเขาคงดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่คนเป็นพัญญาถือโอกาสเล่นงานคนเป็นสามีเอาละเอาละ่ะต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีแล้วเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟืน้นท่านพระครูปราม เมื่อเห็นคนถูกว่าถลึงตาเข้าใส่คนเป็นพัญญาและถิงในใจว่าก็ทำไมไม่แต่งงานกับพ่อแม่ฉันซะเลยล่ะผมเห็นจะต้องกลับก่อนละครับวันหลังจะหาโอกาสมากราบหลวงพ่ออีกคนรําคาญพัญญาพูดขึ้นเจริญพรแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันนะเลิกทะเลาะกันเมื่อไรเมื่อนั้นจะรวย ท่านชิงห้ามไว้เสียก่อนด้วยรู้ว่าคนคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำค่ะหนูเลิกทะเลาะกับเขาแล้วค่ะครูสุมาลีตอบเพราะอยากรวยโอ้ขับรถขับราอย่าให้เร็วเกินไปรู้สึกว่าครูชอบขับรถเร็วเป็นวัยรุ่นเที่ยวท่านเตือนอีก ครูมนตรีรู้สึกประหลาดใจที่ท่านรู้เกี่ยวกับตัวเขาไปเสียทุกเรื่องและในความประหลาดใจนั้นศรัทธาปัสทะที่มีต่อภิกษุรูปนี้ดูเหมือนยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นสิคะหลวงพ่อกรณาช่วยปรามด้วยเถอคะ่ะหนูพูดหนูบอกเขาไม่เคยฟังยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุครูสมารีถือโอกาสรายงานความประพฤติของสามีอีกครั้งหลวงพ่อครับ ผมเบื่อคนช่างฟ้องจังเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีคนเป็นสามีพูดอย่างรำคาญก็ครูอย่าทำให้เขาฟ้องนักสิแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนหรอกขอให้เก็บไว้ให้ดีๆถ้าทิ้งเขาเรานั่นแหละใจะแย่นี่อาตมาพูดตามข้อเท็จจริงนะไม่ได้เข้าข้างครูผู้หญิง เมื่อเถียงตรงๆไม่ได้คนถูกเตือนจึงต้องไปแบบข้างๆครูว่าไม่แย่หรอกครับหลวงพ่อทิ้งคนนี้แล้วผมก็ไปหาคนใหม่รับรองว่าจะให้สวยกว่าหอมกว่าคนนี้อีกผมทำได้จริงๆนะครับพูดพลางทำเลืองไปทางผู้หญิงที่ร่างท้วมที่นั่งถัดจากตนอาตมารู้ว่าครูทำได้ แต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันหรอกหน้าของเก่านีะ่ะมีค่ามากกว่าเหมือนเครื่องลายครามไงยิ่งเก่ายิ่งแพงแต่คนไม่ใช่เครื่องลายครามนี่ครับหลวงพ่อโดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งเก่าก็ยิ่งแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งพูดมากพวกผู้ชายก็ถึงได้ให้สัญญาพวกผู้หญิงว่าเป็นพวกแก่ง่ายตายยาก ใช่โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงใช่ไหมท่านรู้เท่าทันอีกครูมนตรีจึงต้องปิดปากเงียบขืนเถียงไปก็รังแต่จะเข้าเนื้อเห็นเขาไม่เถียงท่านพระครูจึงกล่าวสรุปแบบยาวๆว่าเอาละไม่ต้องไปหาคนใหม่ให้เหนื่อยคนนี้แหละดีแล้วคนใหม่ เขาจะมารักลูกเราหรือก็เปล่าเ่ออาตมาเถอะแล้วก็เลิกทะเลาะกันเสียเลิกได้เมื่อไหร่รับรองว่ารวยเมื่อนั้นอาตมาแนะนำให้รวยมาหลายคู่แล้วท่านพูดอย่างรู้ใจเพราะธรรมดาของปุถุชนนั้นเรื่องร่ำรวยต้องมาก่อนเสมอหลังจากนั้นธรรมะ จึงจะตามมาค่ะหนูเลิกทะเลาะกับเขาอย่างเด็ดขาดครูสุมาลีรีบตอบกระบวนอยารรวยไม่มีใครเกินเธอผู้นี้ผมกราบลาล่ะครับสามีกับพัญญากราบเป็นจางคับระดิตสามครั้งแล้วลุกออกมาเมื่อรถถึงถนนใหญ่คนขับก็แกล้งขับชนิดเต่าคลานอย่างเร็วเสียกว่า คนเป็นพัญญาคิดว่ารถเสียจึงถามขึ้นว่ารถเป็นอะไรหรือคะคุณไม่เป็นอะไรหรอกก็คุณไม่ชอบให้ขับเร็วๆก็เลยขับช้าๆคนตอบยวนอย่างเห็นได้ชัดคนถามไม่พูดอะไรอีกนึกถึงคําพูดของท่านพระครูที่ว่าเลิกทะเลาะได้แล้วจะรวยจึงจําต้องนิ่งมีใครบ้างที่ไม่อยากรวย เห็นพัญญาไม่ต่อล้อต่อเทียงครูมนตรีก็ชักจะรำคาญตัวเองจึงเร่งความเร็วขึ้นหากก็ไม่เร็วเหมือนที่เคยขับด้วยระลึกถึงคําเตือนของท่านพระครูวันพระเป็นวันที่ท่านพระครูไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกเนื่องจากผู้คนจำนวนมากจะพากันมาที่วัดด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆกันบ้างมาเพื่อถวายของอาจเป็นข้าวปลาอาหาร หรือปัจจัยบ้างมาเพื่อสนทนาธรรมบ้างก็มาเพื่อธุรกิจการทรมาหากินและบ้างก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวซึ่งคนพวกหลังนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคประสาทติดตัวมาด้วยพระบมเหี่ยให้สมญาคนเหล่านี้ว่าพวกเอาปัญหามาให้พระ และทั้งที่งานยุ่งจนแทบหาเวลาว่างไม่ได้หากท่านพระครูก็เมตตาพวกเขาท่านรับฟังทุกเรื่องทุกปัญหาตลอดจนช่วยแก้ไขช่วยแนะนำไปเท่าที่จะช่วยได้ผู้ที่รับคำแนะนำของท่านไปปฏิบัติตามก็สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนผู้ที่ไม่สันทัดเรื่องการปฏิบัติก็เปลี่ยนไปวัดอื่นที่เขาใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหา เป็นต้นว่ารถน้ำมนต์ปลุกเสกลงเลขลงยันหรือแม้กระทั่งแจกเครื่องรางของขลังบรรดาคนเจ้าปัญหาทั้งหลายก็มีอันต้องเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากหากก็ไม่ได้ผลเพราะเป็นการแก้ที่ไม่ถูกวิธีดังที่ท่านพระครูพูดอยู่บ่อยๆว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกินมังคุดไม่ถูกเม็ด ลุงพ่อครับเป็นพระไปรับฟังปัญหาทางโลกได้หรือครับพระบูเหียวถามเชิงติต่งทำไมจะไม่ได้เล่าเพราะมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันคำว่าธรรมะนั้นนอกจากจะหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังหมายถึงธรรมชาติได้อีกด้วย เพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือธรรมชาติพระองค์ไม่ทรงสอนในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วธรรมชาติคืออะไรครับคือผมอยากทราบความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยและเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัย คือเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเสื่อมสลายมันก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิน้นเพราะเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนา ไม่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยอย่างเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมเขาก็ต้องถูกธรรมชาติลงโทษเธอคงเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าทางโลกกับทางธรรม ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ประการใดการที่เราจะให้คนเขาหันมาสนใจทางธรรมก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาทางโลกเสียก่อนเพราะถ้าจิตใจเขาอย่างร้อนรนกระวนกระวายเขาก็รับธรรมะไม่ได้สมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธองค์ ทรงสั่งสอนเวนิยสัตย์ก็ทรงช่วยแก้ปัญหาทางโลกให้เขาด้วยจึงไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยแต่ประการใดที่พระช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแต่ก็ต้องแก้ให้ถูกจุดต้องให้ตัวเองอยู่เหนือปัญหาอย่าลดตัวเองลงไปผัวพัน จนกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียขึ้นคือช่วยได้แต่ต้องช่วยยังมีสติใช่ไหมครับถูกแล้วสติมีความสำคัญมากการฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอจึงจำเป็นจะเรียกว่าจำเป็นที่สุดก็ได้พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าธรรมะ มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะแต่การฝึกสติก็ทำยากมากนะครับหลวงพอ่อยิ่งฝึกก็ยิ่งรู้ว่ามันยากนี่ผมก็ฝึกมาจนเข้าเดือนที่สามแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่นั่นเธอรู้สึกไปเองที่จริงแล้วเธอก้าวหน้าฉันรู้ ฟังถ้อยคำของอาจารย์แล้วพระโบเฮียวรู้สึกมีกําลังใจขึ้นแต่ก็อดที่จะพูดออกมาจากความรู้สึกของตนไม่ได้ว่าดูเหมือนว่าผมยิงฝึกกิเลสมันก็ยิงเพิ่มดูท่าทางมันจะไม่ยอมหมดไปไง่ายๆเลยนั่นแหละฉันถึงบอกว่าฮือก้าวหนะ้าคนที่ไม่ฝึกเขาจะไม่รู้หรอกว่า กิเลสในตัวเขานั้นมีมากมายเพียงไรกิเลสมันมีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดยิ่งละเอียดก็ยิ่งขจัดออกยากกิเลสอย่างหยาบเป็นกิเลสทางกายกับวาจาอันนี้ใช้ศีลชาระล้างออกได้แต่กิเลสอย่างละเอียด ต้องใช้การฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดจึงจะสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นกิเลสทางใจออกไปได้และการที่ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องให้จิตสงบเสียก่อนการฝึกสติก็เพื่อให้จิตสงบที่เรียกว่าการฝึกสมาธิ การปฏิบัติจึงต้องมีพร้อมทั้งศีลสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าการฝึกอบรมแบบไตรสิกขากิเลสอย่างละเอียดนี่ขจัดยากจังนะครับเธอเคยร่อนแป้งไม่เล่าการร่อนแป้งนั้นร่อนเท่าไหร่ก็ยังมีกากเหลืออยู่ไม่ว่าจะใช้ตะแกรงที่ขนาดไหน และจะร่อนสักกี่ครั้งก็ต้องมีกากเหลืออยู่ทุกครั้งเพราะกากนั้นมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามจํานวนครั้งที่ร่อนการฝึกอบรมทางจิตก็เช่นกันยิ่งเราปฏิบัติละเอียดเท่าไหร่กิเลสมันก็ละเอียดตามการกำจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิง จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและต้องใช้ความเพียรสูงแต่ถึงจะยากสักเพียงใดก็ไม่พ้นความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกจริงไหมจริงครับและที่วัดป่ามะม่วงก็มีพระอรหันต์แล้ว พระบูเหียวตั้งใจอย่างภูมิธรรมของอาจารย์อย่าพูดลามปามไปมันไม่ดีแล้วเขาไม่เรียกว่าอรหันที่ถูกต้องออกเสียงว่าอรหันจำไว้ทีหลังจะได้ไม่เรียกผิดผิดให้ผู้รู้เขาติเตียนได้ครับผมถ้าอย่างนั้นผมขอกราบลากลับไปกุฏินะครับ อ้าวจะรีบไปไหนล่ะยังไม่ทันมีเรื่องเลยจะกลับเซนเล่าท่านพระครูพูดยาวๆจะรีบไปร่อนแป้งครับผมสิ์ตอบแล้วก้มลงกราบสามครั้งจึงลุกออกไป